จงประสบจ้ความสุขความจเจริญทุกๆกด่านทุกๆกมุมใน ท, ที่สอบยิงย่งยิ่งเินไปจนถึงที่สุดทุกโดยสอบอยู่ทุกเมือบุอมีปรมานก่นขอขาดเถอนะห้างตันี้ีเมย์เข ม, ม, มีทาง ว, งวงางนีตต่วังหูตวัวเองวางหูตูวยชาูเบรมัตจิตตวัจะโชติปรมัตสีสงมังลรกังปปาสดีปะมตโตชันธิมาญัตสาปปงางกตังกมัง ภูสะเรณัปัญญาทียโสมังลูังปวัเสติอาคังวตโจันทีมาอภีวาตนาสีจานิจังุทธาปชาโยจตตารตมาวัจันติปายวนสุขังภะรเออไหวพอกันได้เอไหวพอคกันไดย่างเ้องไปมัน้องไปมันเนาะถ้าหวถ้าูทำีผู้ไหวผู้กลับผู้ไหวนี่ผู้ขาผกลักตูดไว้เลย ทรงต่อพระเนปาลทรงต่อพระพุทธธรรมสมเข้ากว้พระพุทะธรรมะสมเข้ากับรับผัววายกเมื่องับกับรับเพื่อพระพุธธรรมผสมรับเพื่อพระเนาลเท่าหมบไปแั้วท่นเขาไ่ได้กักตุนเลนี่มากาบมะวายคุณช่วยทมังมก้อนี้พาหนะเงาลดใหใจตัววายต่อไปทุกท่านเม่ได้กักตุนไว้ทรงต่อพระเนปาลลกักตุนไว้ที่เด็ดมันร้ายกว่าดีอันนี้มันมันมัดังพระเนปตัว อันครับเอาออกครัมาดังถึงเที้ยมันจำว่าได้วงแห้งเขาบว้จากไห่วงแห้งเขาไว้ไห่วงแห้งเขาเขาหประยัดขึ้วมาเพราะมันเกินโลดโรดหัวใจเขาอามาหายมาวาดมากวันเนี่ยเพื่อกันไมาให้ท้องผูพคดดังท่านเาเพราะมันเกิดกรโหัวใจท่านเขาอาย่างอดีข้อมซัวกับขันนงมาใช้ใจฮะเนี่ยท่าดีก็ทําไม้ใจท่าสัวก็ทําไม่ใจ พ้าพุทธศาสานาธรรมศาสตศาสนาซัศาสตร์นาก็เป็นเชือกซาเกลียวยนในใจของเขานี่พระพุทธเจ้ายนล่องว่าเป็ น, นึมนโนผิดังขมาธรรมามโนเสียข้ามโนเมีเมมยทำทั้งหายในใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วโดวยใจเสียน่ถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มีเสียน่าตัวก็รวมเป็นเชือกซ้าเกลียวอยู่ที่ใจ พุทธัทงสงกส่งอยู่ที่ใจเป็นเชียกสามเกลียวพุทโทธแปลว่าผู้รู้ใจธโมสรงไว้ซึ่งผู้รู้ใจสังโกแปลว่าปฏิบัติใจพุทโทธแปลว่าละบาบบาเพ็ญบุญธโมสรงไว้ซึ่งละบาบบาเพ็ญบุญสังโกก็ปฏิบัติละบาบบาเพ็ญบุญอยู่ที่ดวงใจตกลงพุทโธธโมสังโกก็เป็นเชือกสามเกลียวไม่กระชุยกระจายกันอยู่คนละคนเละแห่งก็พิจารณาง่าย ก็รักษาง่ายก็ปฏิบัติง่ายถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจทุกสิ่งที่มันหายมันฝ่ายออกไปจากใจบุญก็มีอยู่ที่ใจบาปก็มีอยู่ที่ใจถ้าสร้างก็สร้างขึ้นที่ใจทุกใจไม่เป็นหน้ายกมันเป็นผัวาแหวนไม่นด้ปฏิเสธใจกายก็ว่าจ่าก็ปฏิเสธไม่ได้ท่านดีกับมังใจจะพุ่งรับผลผนควาดี ส่วนที่รู้ตัวว่ารู้ตัวว่เป็นปัญหาขืนยกับใจรู้ตัวกับเป็นเรื่องของใจว่ารู้ตัวกับเป็นเรื่องของความผิดของใจเฉพาะที่เสศษในภายหลังเไม่ได้นั่งกับมันใจว่านั่งค้นตายกับนั่งบ่เป็นจับลงว่างแล้วก็ล้เบิ่มรดุดผู้ฟังเทศก็คือฟังกายผู้เทศก็คือเอาใจเทศผู้ฟังคือเอาใจฟังจุล่องกับไม่มาโย่ใจเมื่อืหร นี่พูดเป็นเอกาณิบาตนิบาทแปลว่าบทแปลว่าบทของใจดึลงมาใช้ใจกานพูดเป็นสองกายกับใจพูดเป็นสามพูดเป็นสองคือพูดเป็นทุกคาณิบาตคำว่าเป็นสามคือว่าเป็นติกานิบาตกายว่าใจใจคำว่าเป็นสี่ก็คืออริยสัจสอ่หรือธาตุสี่ปัจจุบันธาตุคือธาตุดิน อาโพธาต์คือธาตุน้ำเตโชธาต์คือธาตุไฟไวายโยธาคือธาตุลมคำว่าเป็นสี่คำว่าเป็นหากาลูกเวทนาสัญญาสังขารเวียนยากลูกคือเปบัญญัดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่าลูกเวทนาสัญญาเวทนาความจำจำลูกเรียกว่าลูปะสัญญา จำเสียงเรียกสัทธาสัญญาจำกลิ่นเรียกคณะสัญญาจำรสเรียกรสสาสัญญาจำโผธมะเรียกโผฏฐะสัญญาจำธรรมารมณ์เรียกว่าธรรมะสัญญานี่หลักจำกลิ่นรสเรียกว่าสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งแห่งคิดแก่ตัศนรามคืออารมณ์ที่เกิดกับใจ เป็นส <necessary. S 2> ่วนดีเรียกอุศนเป็นส่วนชั่วเรียกอโกศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัิญากริเรีกพลังสังขารก็เกิดขึ้นที่ใจวิญญาณจ้าขุวิญญาณวิญญาณทางดวงตาโสตวิญญาณวิญญาณทางหูกายะวิญญาณวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณวิญญาณทางกายวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้น กูวิญญาณสซตาวิญญาณคารณ์วิญญาณคิพาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณหก็เรียกอารมณ์หกเรียกพระอารมณ์เป็นไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะตอารมณ์งเทมาถูกต้องจึ่งเป็นอรยตนีภายนอกอริยสตอรยตนีภายในามีตาเป็นต้นอริยตนีภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณไม่ใช่กูวิญญาณเป็นต้นกระทบกัน สัมปัตก็มีจกักูสัมปัตต์โสตสัมปัการสัมปัตีวะสัมปักายะสัมปัต์มะโนสัมปัตตนี่เรียกว่ า, วาเป็นหกถ้าเป็นเจ็ดขยายออกเป็นเจ็ดคสอนของพระพุทมรสน า, ศ า, ศ า, ศาก็สัตตาว่าเจ็ดหรืออภิริหารนียทำเจ็ดําพวกไหนที่สงฆ์เขาในีําพวกเจ็ดได้ก็เรียกว่าว่าเป็นเจ็ดเจ็ด เป็นเป um, ็นสัตการะมีบาททีถ้าว่าเป็นแปดก็อักขังทีกลางว่าฆ่าประมีสมาธิถิสมาธิสัโปอายจามันโตอาจิวายโมนติสมาธิเป็นต้นย่นลงมาสั้นก็คือศินสมาธิปัญญาย่นลงมาเป็นสามทีถ้าว่าเป็นเก้าก็คือมรสีพ้นสีนิพพานหนึ่งเรียกว่าโลกุตระทั้งเก้าเป็นต้น ถ้าว่าเป็นสิบก็คือกุศลกรรมบุตรสิบและอกุศลกรรมบุตรสิบถ้าจะว่าเป็นสิบเอ็ดมีกาท่าสา 11, ิบเอ็ดปฏิจจสมุปบาทถ้าว่าเป็น1ิบสองตัวแต่ท่ากาลังยาท่าภู้ตังญาณทักษนังถ้าจะว่าเป็นสิบสามกเทลสะทุดงสิบสามแะอย่างไรก็ตามย้อนลงมาเป็นถึงหมดผุกภาวนาต้องเงินมาเห็นทุกในปัจจุบันชัด ก็เห็นทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะเอาปัจจุบันเป็นพยาธิรอบกระลมให้ใจเข้าออกคําว่าตัดศีลก็ตัดศีลอยในปัจจุบันคำว่าสมาธิก็ตั้งมั่นลงในปัจจุบันคําว่าปัญญาก็รอบรูดอยในปัจจุบันรอบหายใจเข้าครั้งหนึ่งมีทั้งศีลสมาธิปัญญาสัมพยพกันอยู่ด้วยมีทั้งความเกิดขึ้นแปรปวนให้แตกสลายสัมพยุพกันอยู่ด้วยมีทั้งคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ สัมพยตกันอยู่ด้วยมีครบทั้งแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์สัมปพยตกันอยู่ด้วยมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านละคนผู้จะเห็นตามเป็นจริงผู้จะปฏิบัติตามเป็นจริงผู้จะรู้พ้นตามเป็นจริงจากความหลงของตนไปแต่ละชาติละชั้นแต่ว่าพระปรมาสสะ า, าทรงสัรเสริญในด้านปฏิบัติปตุปนันเจโยทรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจิบัติผู้นั้นแม่งอ น, นแงนคอนแคลนในทางพุทธศาสานาเอ ระคือทำแนกกำลัง5าอย่างศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญาความรับรู้อินทรียห้าก้อยเรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติความระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิญญารรบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงพระทำเป็นกำลังฆ่าอย่างก็เป็นเชือกฆ่าคือโยกอยู่ที่ดวงใจในขณะปัจจุบันนะจะสิ้นความสงสัยตอ น, นไหนๆก็สิ้นความสงสัยในปัจจุบันจะรู้แจ้งแทงตลอดตอ น, นไหนก็รู้แจ้งในปัจจุบันส่วนอดีตล่วงไปแล้วส่วนอนาคตยังไม่มาถึงอดีตมีคุณค่าไหมอน า, นาคตมีคุณค่าไหมอดีตสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ใช้ได้จําไว้ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะได้เว้นอนาคตสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะพยายามทำให้เกิดให้มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่พยายามคําว่าอาดีตอนาคตคําว่าอาดีตและอนาคตก็ไม่ใช่อะไรจะเหลืองเชื่องไปหมดอนาคตที่เป็นประโยชน์ก็จะมีคิวที่เกีตนาหวังไว้เรียกว่าสัจปรเ ม, ม, มสัมปนูเช่นพระบรมศาสนาประพุทธพระเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอนาคตเป็นคิวไว้ ในอนาคตเราจะหวังเป็นพระสมาธรรมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเราสร้างบารมีนั่นบางท่านกล่าวว่าอดีตไม่ต้องอดีตเป็นเป็นกิเลสอนาคตเป็นกิเลสถ้าเราทําให้เป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสถ้าเราไม่ทำให้เป็นเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพระสมาธรรมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านพ้นไปแล้วท่านรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคต รูปปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่องค์ท่านไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามมาข้องตัวมาว่ามาว่านนี่บอมาสามคนบอเออานำลงมานะปัจจุบันพูดมากก็มากออกจากปัจจุบันพระหูววัชณะก็ออกมาจากเอกาวัชณนะสัะพนามก็ออกไปจากเอกานามสัพทุกย่นออกก็ขยายออกมาจากเอกทกในปัจจุบัน เมื่อเห็นปัจจุบันชัดเนี่ยตอนใดๆอดีตอนาคตตอนนั้นก็ไม่ต้องสงสัยคือเห็นความตายชัดในปัจจุบันความตายในอดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นทุกข์ในปัจจุบันชัดทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยไดๆในโลกล้วนอนิจจังใ้ได้ในโลกล้วนทุกขังใด้ดในโลกล้วนอนัตตาไม่ต้องสงสัยเลยนายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย เมลโรคทั้งหลายเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วผู้ที่จะมาเพื่อเพลินในอนิจจังอนัตทุกขังอนัตตาจะหวังปั้นน้ามให้เป็นตัวคือใครก็คือกิเลสที่เคยลงมาหลายชาติเพราะนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายนิมิตเดิมที่เราตั้งไว้คือกรรมฐานเดิมที่เราตั้งไว้ลกวัฏหอนวันรมให้ใช้เข้าออกไม่กรรมฐานเดิม จะไปเห็นในเวทอะไรอะไรมาก็ตามให้รู้ตามมันจริงซะอย่าไปลืมกรรมฐานเดิมถ้าลืมกรรมฐานเดิมแล้วก็ถ้ากลับว่าเป็นว่าเสื่อมอากาศปลิวไปตามลมหรือนุ่นปริวไปตามลมกร ร, รรมฐานเดิมก็คือพระอาจารย์เดิมก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดิมก็คือพระธรรมองค์เดิมก็คือพระนิยสงเถร อ, องค์เดิม ก็คือโมอได้หลกเดิมไม่หนีจากเดิมไม่หนีจากอันอันเก่าเรียกอิมังกรัรมมัฏฐานังอิมังก็แปลว่า น, นี้ไม่ใช่โนูนอิมา น, นี้มันอยู่ใครอิมังกัมมัฏฐานังอิมังก็คือนี่คือกัมมัฐานเดิมคิดตั้งไว้ในสติในปัญญาที่จ้องดูกันอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งไว้ในที่นี้วันเหวไปบนหนึ่งไปงมป่าบนหนึ่งมันกรบวะพ่อป่า วานเหยไว้ง้มแห่ถึกแห่ปากา อ, อยุนเห่พิชนาในสกลหน้าร่างกายพระไตพิรุกไตแปลว่าสามกายว่าจาใจพระสูตรก็มีสามสูตรของกายสูตรของว่าจาสูตรของใจ พระปรามาัดกมัดเขากายมัดเขาหจ่ามัดเข่าใจนี่ว่าเป็นสามว่าเป็นสองว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นสองสูตรของกายสูตรของใจพระเวน่ากายพระเวนาใจพระเรรมพระปรมัตมัดเข่ากายเข่าใจสูตรว่าเป็นสองว่าเป็นหนึ่งพระนกมัดเขาพระเวน่ายก็เรียกว่าปรมัดใจพระสูตรกับสูตรของใจ พราปรมัตถ์ก็วัดปรมัตถใจพระเวไนยก็พระเวไนยใจทุกร่องก็รูวแห่งเดียวกันย้อนอันหนึ่งย้อนมดย้อนพระสูตรก็ย้อนย้อนมดย้อนพระสูตรต้องเป็นสองย้อนพระเวไนยต้องเป็นสองก็ย้อนพระปรมัตถ์ต้องเป็นสองเท่ากันย้อนพระสูตรพระเวไนยพระปรมัตถ์ต้องเป็นหนึ่งย้อนต้องการมัดกันขยายการขยายต้องการมัดมัดกับพระสงฆ์ทั้งทั้งยอดและขยายก็คือเสือกเส้นเดียวนั่นละเขาขึงไปเย้าเหยียดใจโรกธาตุเลย ข้าโค้งมากสาวมาสาวมากกับไปเสือ ก, กองเดียวโยกนจ่ายไงโยกนข้าวกองนะพระคุณยนน้องมหาเอกคุณเอกคุณ น, นัจจุบานคือคุณพระพุทธธมประสงค์อันไหนนใจโรกธามันเป็นเมืองขืนของคุณพ ร, รพุ่ธธ่รมประสง์มัดขัางสอนสอนในไใจโรกธามันก็เป็นเมืองขืนขั้งสอนพระพุทธรรมสง์มัดหน้าห่วยน้องค้องบึงบางอะไลงสู่มหาสมุทระเว่าโดยว่ารู้ตัว ขำสอนของพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าขัสอนใดๆก็ไร้ท่องสูขั้ขงสอนธรรมธรรมาสรมพุทธเจ้าโดยไ่หลุดหัวดูการวัดเทียบในท่าลึกซึ่งเทียบในท่าสูงเทมทิถึงมีกี้ล้านก็าตามสียไปใน ท, ท่าทศเหนือโดยไ่มีควาเว้นกลางคืนมือพูดได้แต่บังคับน่ะเพราะข่มจิงในตอนนี้วันนี้จะข่มจิงไม่มีควาเว้นกลงคืนการนักสงสัยว่า ค้ามสอนใดๆมันเหนือค้าสอนพระพุทธเจ้าแล้วการนับถือกดีพระพุทธเจ้ามันกับ่ะล่งสนิท ด, ดิเข้ามาตัวไปตัวประธานนั่ก็ไปของเขาเหมดแล้วเปิดเปิด เ, เ, เนี<อ>่ยอศาสนาดันดีลักธินั่นดีนักธินี่ดีก็ไปของเขานัทธิได้สีดีปันไหนก็ตามสู่ข้าสอนพระพุทธศาสนา<อ>เมื่อไรล่วงทั้งเดียวเพได้เบือนลงลาวแผ่นดินนะ้าสองแสนสี่หมื่นโย เขาเอาลูกระเบิดพระามนู้นทำร้ายแตกคิดใจเถึงพ่ะพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะเลิกก็นั้นใช้มาทํร้ายกับาระแตกตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมาก็เฮมิที่ไม่ใช่เทามหาสมุทรลอยโขดมหาสมุทรบนกระตาคิดใจสิบหกขาดจอกขาดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยในตะกอนละกายไหวกายใจสย้อมเป็นล้มหมดล้มกูดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเหยียวรถเหยียบย่าทนหราอร่าน้ํามุก สนในสกลร่ากายและใจว่าจะอยู่ทุกเมื่อบม่มีพม่านแต่ถึงพระพุทธพระธรมระสงต้องถึงขนาดนั้นถึงพระบันไดพระเนื่องน่รักนีซาอันนี้จะขอมาสงสัยแต่ว่าถึงยังสั้นอ่ะสงมันถึงยังสันอม่ไสงสัยละอันไหนพระพุทธเจ้าว่านสอนบ่มีให้เกิดวานยังไงแม่เลาปฏิปเทวตได้บ่ขนาดนึงเราปฏิบัติได้เทไร้ก็เป็นน้องเฮาเท่านั้น ห้าปฏิบัติว่ท่านใดเ้าก็ยกเสกเก้าใส่หัวบอลเปประมาทเาม่นแล้วห้าบุีทอพุทธเจ้าคน้ว่ า, า, งง า, าชั่วห้าเอาคนเสมอห้ามาเป็นอย่างยเา้าเป็นชั่วข้นดังพันเทื่อห้าเอานชั่วก็ห้ามาเป็นอย่างย่้าก็นชั่วข้นเพิ่นไปอีกถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านหมเห้าเอาบุตดีก็ห้ามาเป็นอย่างย่างแล้วหาก็ยังบุตรีทอเพิ่นในว่าเสั่นอดรถอคนมักแซงอย่างสังๆๆๆๆๆๆ่นนีและตัวบุตรีทอพุทธเจา้าถ้พุทธเจ้าเขาบุษบดีโรดเด้ เป็นคนทุกข้นจนเป็นอนนันหนักหนีมากพระนางพระยามสั่งเป็นปรพระพุทธเจ้าไปเสียพระพุทธเจ้าได้ประสบพรเพหมดแล้วได้ประสบการมาเนี่ยขราวาคนทุกข้นจนคนหางนหนีประสบการมาหมดแล้วตลอดทั้งชั้นที่ระชันได้ประสบการเมือหมดเี่ยจะค่อยแม่มาแสดงเจ้าข่อยแม่มาเทศให้โม่เฝ้าห้าวเฝ้ารับบรับเนมกทุกประเภทมันเป็นทุนทางพระพุทธเจ้าอ๋อ พ่ดได้ยังได้พระโสดาวันฮิบเอาพระมาซ่ามันว่าสวยคำว่าเธอพระโสดาวันนะจิะ๊เสียใสใจนะแผลหลังเนี่พระพุทธเจ้าเข้ามาสิเขาบอกว่าบ่อยๆูวยว่ามันเป็นพระมาจันจรรเบื้องตนอง้นเขาบอกพระทศศาสนาของเขา้วมันพวกเข า, าจะไปตื้อใช่ป่ะนี้บอตื้อ <c oughs> ปะเด้๋ยวป่ะนี้บอจังเลมันจะกรสดิ่ง กับป่านสูบยาแล้วก็พ like ูดออกนอกเออดังมากับบัรยากาศหัวงูนอแต่ว่าว่าวาหานหานลงมาในปัจจุบันหานลงมาในมโนภาพเราฮะมันเท้าวอาล์ไลน์หานลงมาหันละแต่เชื่อว่าว่าวาหักับพวหอนงานเดียวกันเนี่ยเ หลัาลงมาในปัจจุบันในกิตปัจจุบันทำเอาไปองมันมีจินหามริบุรณ์ถึงว่าพระทธพระธรมพระสงค์อย่างไม่สงสัยเลยเมื่อเอาผีมาถือปล่เมอเเทพบุตเทวดาทั้งอื่นมาถือปุ่นเมื่อเอาตนไหว้พวกเขามาถือเป็นชนะปลคุณพ่อคุณแม่คุณท่านพวกนี้คุณมาหลายคืนสูค้คุณ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วว่ต่างสงสัย คุณพอ่อคุณแม่คุณครูว่าอาจารย์คุณท่านผมมีคุณไหลขึ้นคุณพระคุณพระธรรมพระสงฆ์แล้วขันวันแล้วลึกถึงคุณพระคุณพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มืดในใ่ใจเรกาก็ทานเนี่ยพอสมปัร่วมกันเนี่หันแล้วก็แจงหมอยานะเอาเนี่ยเชื้อได้อยากรองแล้วมืดสินหาเมืเ่อเชื้อได้อยากเล่นเอาใ ย, ยมุ้งเมื่อเชื้อได้ยอยากเล่นเรียกเรียนพลาเลียนวัดเลียนมือนี่ก็พาะใจในการทํามาหาอย่างที่ไว้ใจสร้างที่ชอบ นั่นเพิ่มปัสาวะดาบันโมเสียดายอยากถือศาสตร์อื่นชินังเมอดขื่นหอนมุ่งเศ้าก็ตามอดเข่าอดน้ำจนคุ้งผมคุ้งขนลนกระซางถ้ายังเสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นหาอยู่แล้วยังมาเป็นพระโสดาบันคันว่าโมเสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นหอยู่แล้วการรักษาชิ้นหาโมเสียดายอยากถือศาสตร์อื่นอยู่แล้วเพียงจากโมเสียดายอยากศาสตร์อื่น เพราะเสด็จอยากถือศาสนาอื่เพราะเห็นดิงลงไปแล้วว่าศาสนาอื่นบนเหนือศาสนาพุทธไปขันเมื่อเห็นว่าข้ามสอนศาสนาอื่นบนเหนือศาสนาพุทธแล้วอันอยากสิถือแต่มันโบมีเมื่ออยากโบมี่แต่มันก็ไม่ได้ระว่างยากอเมื่อได้มังเงี้ยเรระว่างยากถึงจะไปถือศาสนาอื่นของมันบาหนักนอยเนีมันม่ได้ละเนี ขึ้นอำร่า่ข้าละทีมแล้วขฮาทมทีมแล้วมันมาได้ระลว่างงี้แก้าแะประกอบเอาขึ้นมากินได้หลือว่างได้เลยสันท่อก็บ่ด้วอาเราสันเอาโหดว่าเอาศีลหากขคือกันข้าเสียข้าเสียดายอย่างร้งละเมิดถือวามันเป็นของคิดหาย ว, วายหมดถือเป็นบาปเป็นกรรมร้ายสัว์ร้ายพก็บพราะเสียดายอย่างร้องละเมิดตายเป็นตายย่อม ต, ตายต่อศีลแต่ว่าศีลปรมัถธะปรมิสัมป น, น, นุกจึงไดกับ ถือรพุทธพรรมพระสง์นีนี่ตายก็จะตายข้าวรพรทธรรมพระสงฆ์นี้เนาะเรียกว่าสัจจปรมัทธปา ป, ปามีสัมปนโนหรืออธิษฐานปรมัท ป, า ม, ปามีสัมปะโนเอาสันเอาโลดอยา ก, กบว่าเสียดายอปล่อยเว้นเสี้นแทงผู้ใดไงถึงความเพนีาดมันมาเฮ็ดกูยังฉันมาทำให้กูยังสิกูจะผูกเว้นจองเว้นมันให้มันจิบหายตายขวบมัดกระดูก กเดียวมันโคตรพอโคตรแม่มันบริเวมสิัระโสดาบันเขามาเฮ็ดพิแใกระซางเออมันคยใน้ำพิษเขามาเอพกรศาตรกรก็ขอให้เลวกันไปซะเออผู้ขาถือพรจองเว้นผู้ใดหรอกมนเขามากองไม่กันม่เลีวกันไปซะานพุ่มของพระโสดาบันเป็นดังนั้นทั้งเขียดเขียดอยู่เอามาถึงกัะผูกเว้นอันเขียดที่ว่าผููเว้นจังมามันพิดอบายจะพุ่งมันว่าเสียใจอยางรองละเมิดศีลมันจังมาพิดอบายจะพุง มันมาไปพุ่มสัตติรัชาาไปอสุรากายหรือสัตว์นรกมันมาไปมีคัทิเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์จะเกิดอีกย่างมากก็เกิดอีกยักษ์สาบอธรรมามาที่ยันทีออก็เอาพบกที่แปร มาทุกข้าข้าบันดาพิทุข้าข้าวิดาอรหัตข้าข้าพระห์โรคเฮตุบาทั้งไล่พุที่เชียวต้องยังพระโอรสแหนห อ, อ ก, กันไปสังเพทย์ยังสองเกแตจากกันอัญญ์ทัตุเทศบ่ถือศาสตราอื่นอันนั้นตเรียกรรมหกมเมในพระาสดาบาันกระสินี่จนงงกรเพาะบรวงละเมิดเสินหาแล้วมันก็บเพาะไงล่ะิมุนี้มันกุบมันเกี่ยวกันรคประับสินหาอยู่แล้ว พวกเรียนเลเรียนพรเรียนวัดเยเบอร์ย้อนยบ่ท่านเมนพระสถาวันได้ค่ะพระสดันพระโสเาพรโสขาดคะเน่ได้ค่ะพุทธระสาบันนี่ยเพื่อคนทาคงขั้นระดนบเป็นพระสดาบันมะถามว่านอนฝันอย่างไรเลขจังไรเพราะว่ามันแห้งธ้ามาทรเ่อ้มีแน่วผ่านเพื่อนบางชักพระโสดาบันพระเสดายไฟผูกคอต่อแขนนาผูกจะคิดจะใจเลย มันจำเป็หายมันจำเป็นลำบากพระก wow. ับพระเทสรายจะเอาค้องข้อแล้วข้องบระ้องกับไปยังบัตร้ากินเราพันยกขัวหม้อเพื่อนบ่ผู้ที่เอาค้องข้อกับพไปยังหรอกพ่ะเพีแต่ทาง่ระเทดายจะเอาข้องผู้าวเอาพระพุทธโลกเวทเจ้าหัวะเนี่ยผู้ข่าวพระจะปินหนาเพื่นมากเอ๊ปิ้นผันหนีมาจักแข็งบนอื้นผลห้าตกเอาแข้งเก่าขา้ว่น มื่อตอนหนาพันโพดว่าสันให้พนบังอัสนวันนี้อ่วันสนอาจะพาเลิกของเขาคนวันสันาจะพักขี้กับพันนั่นไมันบูซาพระเจ้าวันสันมันวันนีอ๋วันสันพระผู้มันมาเอาไว้มาเอาไว้ทงหัวเอาไว้บนอื่นนั่งขวงหนาพระคุณธโลหลวงผู้มันกับ่นั่งนั่งชั้นจังหันนนอนก็คือกันเมื่อนอนขวงหนาพระคุณธโล จำเป็นจริงจริงอีนี้บางข้าวบางสมัยไปในีังก้มจาเป็นจริงจริงอีนี่กับบ่ว่านางสัง้อมูมันเรียกดังมันเอื่นผลูห้อยนะห้ ย, ายนางขวงหน้าพระพุทธรูปกักปักเกดิดไปเขาวายมากเ้ยแอบกินทำให้เป็นแท้เขาวายพระพุทธรูปเป็นนางขวงหนาพรจังไหรเห็นตอวรบภูมนันพอ้าเจ้าได้กกาบเด็วายเพิ่นจ้ม พระประ่านหลวงปู่หมันพ่ะสงสารเสือญนี่นี่ในรงสนันองพิพนมมามีพนเห็ดไวรององโอเบสดคนพระประ่านเราอยู่มรรค โ, โจกีให้พนมหนวกหูหนวกข้างเพาะเข้ารบพูดเสียงดังเล้พระปติมากรก็ยังห้ามนี่ว่าใส่ร่องเท้ามากใกล้เดินใกล้พระปฏิมากร้วเข้ารอบไปบ่พ่อเล็กทุบาทเนั่นว่าตาพานา พรพุทธปฏิมาก่อนเข้ารบที่สุดหลวงปู่หมันแตพอพนขาสโ่พ้นิอพ้าน่ะเพื่อได้คญาตเป็นลูกศิษย์เพ่เพื่อได้คุญาตเป็นลูกน้ออุปถัมภ์เพื่นอุบาทว์สอุบาทว์ที่เก่าก็มาเข้าร้ของเพื่นนักที่สุดหลวงปู่หมันหนังสือมีว่าเพื่อนความความเข้ารบเนี่คาราวโอจันิมาตนเอตมังค์นุตตะมังความเคาลบความสำรจสโนดความเตรียมตัวจะสันตุถี จักรตันยูตากอตันยูขันนี้ก้องเข้าลบคาลวอจันนิวาโตจะสันติจักรันยูตาการเลี้ยงธรรมะเชวดานังเทตยมังกาละมุตังังเป็นมงคลของเทวดาละมุนทั้งหลายเป็นมงคลอนุลงของเทวดาละมุนทั้งหลายหลวงมันเฮ็ดอย่างมั่ไม่แนวพิจักแน่เสกพระพุทธโลกหลวงมันก็มาเสกที่ไปเสกค่เพิ่นเป็นอย่างนเพิ่นเป็นพ่อะแห้งเหรอโตดีใช่ไหมยังไปเสกเพิ่นมาอน ที่ไปเป่าเพิ่ไปปุกเพิ่นันงงเงีเงี้ยเพื่นปุ๊กขยันเพิ่นลุกถึงจะปางเพื่อ่าขีเสนาหมดเพื่นเพิ่นเขาสู้พิ่นย่าทลาดท้าท้าท้าเพิ่นไปนั่งป๊กเพิ่นไหนเพิ่นขังเพ่อนแ็นั่งป๊กในตัวเจ้าของขยังขังเพื่นเพื่นว่าเพราะว่านาพนเพิ่นทุกข์ขนาดเ่นบอกว่ามบนแทงเลยหลวงพวเราห้องเสียนลงในหนังสือห้องวัดเดีวในชื่อว่าปรว่าทของัดอะกระทบกระเทือนโลกก็ได้เนาะแต้วาหลวงปู่มหามาว่ามันเป็นข้จริง น้อพิเทศกับบัวมันเป็นความจริงเดี๋ยวผู้อื่นเนอะผู้อื่นกับว่าคือกันฮะบมันกับวาวบ่ถือชิวังเลยองมนเหตุถือเราความถือแหละชิว่าบ่ถือมันกับบวแม่แน้าความบ่ถือสิบว่ามันถือกับบัวแม่เนวาคือกันฮะบอกอาจยว่ามันมาพิดตอนนั้นมาพิสิว่าเอาจพิสไปมันก็บ่ัแม่เน้ะตอนนี้มันมันถือหอก็ต้องว่าให้มันถือตอนนั้นมันิสหมาเถียงใจให้มันพิมันกับบัวพิสแะ ได้พรมสมบัตก็จะได้นิพพานสมบัติก็จะได้นันก็โค้งโพธิวัดพ่ทธมณัลเพื่อคนทุกน้มท่าต้องสารเพื่อรับป้ไม่เสื่อเพื่อคามในพ่านเชียงเดียวมันกับสกาวว่าป่าถนะหมดแล้วเ้าป่าชนะเสีต้อยไม่จ่าวเอาป้อมไม้ตังเครื่องหัวหนังสือมั่ก็ควางปัจ้ิตตัวนังสือกันเลยอ้ย ติปันปาเดข ว, วมนิไปแ้วสุดที่เดชขวมน้ไปแ้วเดชวมน้ไปแ้วสักทีมันชัุ้่นมไดวาเด้คือห้าวจไปกรุงเทพนะผู้ชายีปาิปัถนาหมันขามโคลาดหามันขามผู้เขาเดนล่าสระมูลีติปัถนาขามอายุธยามันมันเป็นปลีนันปดรารรัดตรง้นท่าอ่อันก็นขามอยงงั้นคือพันธุ่า พุทธิเฉิงพลญภาพมก็พานมย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติไปเยในถัวแล้วคือขึ้นหัวขันใดน่ยเมื่ขึ้นขั้นต้นมันใ่ได้หมดขึนขั้นต้นแล้วของผูนั่งคั้นลอกขันไล่ย้อนก็ึ้นอดพุ่นผู้นั่งคันลอกขันไล่หันและแต่ขางี่ในมโนแดส้นกส้นต้นไม้เดินดดดันปลายมันกับพระงายอ่ะคือเขาคิดจะกรยาไปกรุงเทพนี่แหละเือนเล่เือนขึ้นรถไฟขึ้นรถยนต์มันนานหอดเพราะผู้นั่งผู้เขามี เงื่อนหลายเขาคืวินลทิ์โรดเข้ามีทรัพท่าร้ายเขาเมีปัญญาร้ายเขาก็ปัตนาพระเนพระนโรดัึงตัวอือหองฉันว่าเพื่อรับเพิ่นเนี่ยวัฏสงสารรับเพิ่นเนี่ยวัฏสงสารคือครใเนพรนเพิ่นเนี่ยวัฏสงสารคือเพิ่นต้องแก่ต้องเก็บต้องตาเนี่ยหองฉันเสียงสมารถปัญญาบรรลุมงบรรยมัดอรรถนั้นก็เนื่อทับเสด็งัศตโดงร่วมบรรยมุไม่จะเว่นเพลื่อน แล้มันเสียนี่เป็นตัวเขาเหมาเมื่อเขาลงสรง ห, รหนะพูดสมาธิกัมี่อเขาลงสร้างนะเพืเอ่อปญญัน้ากับคือสร้างคืาาอว่าบ่ตัวเดียวกันคือข้ขาพิญญาณานี่จังทุกครั้งอนัตตาอันนี้จั ง, งอน า, นาอนนงยุเป่าเดียวกันทุกครั้งอายุเป่าเดียวกันอนัตตาอายุเป่าเดียวกันนะแต่เป็นเพียงจิตขณะจิตที่มันเห็นลึกกวกันนี่คือคือดินน้ำไอย่มเนี่ยดินจะมาไหนน้ำก็จะมาห่า ไฟกับยุหันรบกับยหันของเกา่ามันสัมพยุตกันยุหันเนี่ยลักษณะที่เป็นของแข็งเช่นเล็กเป็ละกอนละกอนนั่นเเขาไปเผาไฟมันก็ออกน้ำเผามาีกัน ม, ม, กมันก็มีธาตไฟอยู่นร่ลมพัดใส่น้ำก็มีอยู่ในน้ำไฟล่อเนืห้หรายส็้ายนะเพ่อเปรีปยบเชื่อว่าร้ายเนื้อร้ายก็เพื่อที่ว่าแก้คุ่มหลงขคนนี้พระพุทธเจา้าเพื่อจะแก้โรคแก้หลงขคนแ ก, กแก้โรคแก้โกดแก้หลงขน พูมีนิสัยสามบารมีแก่กามาแล้วนะเพื่อก okay ้าวขัวเดียวไปโลกคือพระพาฮียพระพาหียควรฟังควรฟังเทศพระองค์เก่าบนาเขอากระเดินจุกงเข้ากับไปบินถาวรด้วยนด็กตัวที่มาถามเข้ายาเนี่ยเขาตอบย่าเนี้มันกับพระขั้แล้วบนาทานเทียบพระองค์เก่าตายอันนี้เทียบคนหน่อยตายอันนี้มอนมันจอว่าไ้บอกคนเราจะเฝ้าถามฉันตีวะทั้ง ่ายการหลง่ันก็ไม่ยางเลยสั่นเรเป็นจ้าสาวลูกเป็นจ้าสาวเห็นเนอะั่นโอ้ยขอแล้วขอหน่อยทาักระไดแล้วั่นเราสำเร็กพระานแล้วพอนเป็นจ้าสาวลูกเป็นจ้กสวเห็นเนี่่นันหละเสียงธรมที่ปัญญสั่นทุต่ายร่วมโยนด้วยเป็นเจ้าสาลูกเป็นจ้าสาวเห็นเสียงธรรมเข้าใจง่ายจต่ัาตร์พระมหาคตปาผนศสนาพระมหาคตปาผนเพิ่นปฏิวัติเคียงคัดมาแล้ว สามรถเทเพิ่นกระชับนมาแล้วเศษเพิ่นกระชับหน้นมาแล้วก็เหลือแต่ปัญญาไม่มุดเน่ยเดียวส่านั้นเพาะจะโดยใจเพิ่นเพิ่นก็เทร็จหน้าอเทตเทศนะอนัตแบบเดียวท่านน่ะมันกับเพีงเลยเป็น่สวารู้เป็นจะ่ักว่าเห็นมันถอนอุปทานในตัวเลยทเมื่อแตว่าเื่อมันมีเรามีเขามีสัตมีพวกคนด้วยลูกเป็น่สัารู้เห็นเป็่สัะว่าเห็นบมื่อมันสัดว์เื่อมันบกคนเนี่ยมันก็บรรเทาเท่านั้น ก็บอมีอาจิตบังมีอาณาโคตรบงมียนญาติที่สันเทปไปจับยองหันเพื่อนก็นได้เป็นสาเร็จพระร า, าห์นี่นเมื่อนั่งพระปาเอี่ยพระบาทก็ไม่แก้กามาแล้วดอกบัวมัสิบาล น, นี่แล้วพอได้รับสัมผัสพระอาทิตย์หน้าก็ บ, บานได้หมูฮอตเป็นดอกบัวสั้นไหนอะไรดอกบัวสันสนวววส้นใต้น้ำเนี่ยดอกบัวที่รามันก็ีอยู่ทุกข์กานเนี่ย ข้าพเจ้าก็ม so, ่อยู่ข้างนี่เ็าไม่มีรดอกตูงกับตูงเ็มพูมดอกบานกับานเต็มพุมดอกตะเมิงหน้ามกมพูะเมิงหน้ามเต็มพุมคันทึงกราวกะละมันเถ่อยยาหัวมันไรสันบัปก็ไดพูนกรไดสตายยาหัวมันที่เกิดมิท้ไปแล้วสัน้าว่าจังสันเป็นเครื่องวุ่นใจของข้าววอข้าว่อเป็นเครื่องวุ่นใจเฮียข้าจังวอเป็นเรื่องวุ่นใจกับพ่ออ้าวข้าสางว่าเราไม่แก่กล่าวมาแล้วข้าวกับุ่นใจเฮีย เป็นสานยังเขถือศาสนาพุทธก็เพราะเข้าสามวรรณะแกสา ม, มาแล้วคนสั้นจำจังเฉมาถือได้ว่าศาสนาพุทธกํามันบรนดาลว่าให้เหลื่อมไปมันบรรดาลว่าให้เชื่อถือเถิดท่าของวัชนะยังตำต่อยน้อยอยู่นันเป็นดาบโวยแตน้านั่นพราอันมากพราะนั่นก็มีเ ป, เ ล, ปาาล่าไหมแคไห้โรคไหมารเทียมมีเปล่าไหมแค่เฉมา นี S <S <preach ers> ่น bueno so ี네่วันไหนเป็นสุกเนาะถามมงลก่าันี้วันไหนว่นหนึ่งเป็นชุกก็ไงพระรหัสัง้ายก็ต้องไปแอบกินนื้หันไปว่ไรทนทุกข์ว่าอะไรเมื่อไงมีวันไหนเป็นชุกจะเปิดเนี่ยชุกเนี่ยราวาสเขาบริเจ้าใช่ไหมรุดทีตีตีแต่ผู้ใ่ญยับไปเมื่อรับว่าพรโพกพ้ะปวงเป็นสุกจะเพีย นี่จะบอกว่าสังขารปรมารถุขาสังขารเป็นทุกอย่างเง่งสังขารเป็นทุกอย่างเง่งกับโลกเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันกับอเนจังเป็นทุกย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันกับโลกขันน้ำขันเป็นทุกอย่างเง่งมีความหมายอันเดียวกันกับเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกอย่างเง่งมีความหมายอันเดียวกันกับปรารถนาว่ได้สมหวังมันไม่เป็นีควาอมาอันเดียวกันปรารถนาในโลกมันจะสมหวังยังไงแต่ม่แค่สังขารเต็มโลกรู้โตห้องเฮ้ากับเป็นสังขารซึ่งสมบัติพระสารน้องเฮ้ากับเป็นสังขาร พ้าวซมาปาถนะาะมันจะสมประสงค์มันจะอย่ยังไงฮะบวชภาคมันมันก็จะพัดภาเข้าไปอยู่นะสังขารสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือกหมูสัตว์โลกการโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกนด้แค่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวดาโลกนั่นคือสมาพัฒนาหกชั้นพรหมโลกได้แก่อรูปปั้นที่หกชั้นและรูปประนมี่ส่ชั้นโลกทั้งหลายยนต์ลงมาในสังขารโลกสังขารแบ่งออกเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองสังขารทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นในขอวแพร้วนั่ เห็นกวาเกิดเกินเกินัเนี่ยกจะร้ายเราแต่เห็นโลกท่อนตัวเนี่ยมันเห็นโลกเราถือมาสงสัยโลกยังไงก็สิยากมาเกิดในตโลกระธาดยังไงสาสั้นจำนโบเห็นเน่ยมันจจักสูจักสูเลาอบปัญญาจักสูจักสูคือปัญญาคิดปจัขูคือจักกุทิพมันอันนี้ปัญญาจักสุน้ำมัจจักคุยจักคุยรอบอบเนี่ย้างทะโลกมัดล่ะในไตโลกระธาดสร้างะุมั่ะนั่งอยู่คณะคิดเดียวบันลั่งเดียวเห็นไตโลกรธาดมล่ พอเห็นอันนี้จังภาพอคณะเดียวเห็นไตรกธาตุเมืแล้วเห็นทุกคณะเดียวเห็นไตรกธาตุเมื่อนแล้วถ้าพระโลกทั้ง่วงร่วมลงมาอันนี้จังทุกังอันตราแล้วาระสังขารทั้งฝวงก็คึอนกันพระาตทั้งฝงที่าฟเป็นสังขารขออนกันพระท่ามทั้งฝวงที่เป็นไฟสังขารของเหมือนกันยกพระพันช์ครับเอาคันนั้นมีความสุขตัวเพราะแม่งงาขาเห็นนี่ยพระอริยเจ้าเปนกนายก้มหลงของคนเมื่อไรสุขของเครือหัดก็มีอยู่ทอย่างสุขเกิดแต่ความมีทรั ทุกเกิดแต่กายทรัพย์บริโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็ น, นสิ่งทุกทุกเกิดแต่ทํางานที่ปราทศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ได้อํานาจไอ้จางเกิดขึ้นม่คอเปียวดนี่แต่สลายอย่างนั้นทุก ข, ของเทวสูตรสามนเนรทุกถึงพระสวัสดิวันถึงสัคขาคารีถึงพระอนลาคามีถึงพระลาหน์อันนั้นเป็นจุกในทางโลกุตรละํากว่านั้นทุกในทางโลกีพระพุทธเจ้า ว, วรับร้องข้งมาพูดคำเตือนโลกีพระพุทธเจ้ากับวรับร้อง ก็าม า, ากันเบื้องตอน้นของพระพุทธศาสนาคือชุกทีิปัญโง่พระสอัดิวันจนถึงพระสัสดิวันแล้วพระสกทาค้ า, ามีอานาคามีอันนั้นเปิดจางกว้าง่อนเรียตัวคนทางโมโหโมสงสัยวา่าเแวะใส่แล้วขวาวางเดินถึงมอถึงกับว่าได้เลื้ยสายแล้วขววา่าเสวะอันนั้นถึงโลกุตตะละจิตโลกุตตะละใจโลกุตตะละท่าโลกุตตะสัตวท่าโลกุตตละปัญญาแล้ว จว่าธรามจักถูจักถคอดวงตามองเห็นภายใน้านี่อุตส่าาที่อาโรโกแขงชว่างเหมือนถ้ยโพงประมาณนี้คนเฮามันเห็นคนทางมันจะยางเป็ีนบุญงนทางมันจะางไปเปนบอกของสันอรรถมุจจาก็มันถือคนทางเ้วมันก็ปสงสัยว่าดีแหะซ้ายแหววัวทานเดินซาเดินเรวมันก็ไปไดแหว่านี่เอเมื่อมันก็พักข้าวคนทางลูกขึ้นมาอะไมันก็ข้านไปอันมันว่าสแวออกนี้วางอย่างนี ขอคนทางเลยคนยี่พานมันคือคนทางรถทางเรือคนทางรถทางเรือไปนอนข้างคนทางเขาเหยียบงวนนี่พวกี๋เนี่ยนอดข้างไกับพวกปีวคนทางอันนี้มันคือนทาง้าปรารถนาทางขอทนพนบุญเนี่ยมันคือทางรถทางเรือนี่ยนอนข้างทางรถทางเรือเขาเหยียบผไปหันกลางถนนอันนี้พวได้เป็นยังเนี่ยเร้าอย่างเงี้ยปยังพวกเดนไปล้วไปกัเป็นแผ่นเอเตอร์ช่วมีไรมาสีมาขวางอะมันมันคือคนทางฝ่ายหนมัโคมาข้างมักโค้าักข้างข้ามมาขวางพวกคนคนทางใจพน เมือนัางสยฟ้าตีนเท่าแลเปลีบยนเป็นพุฆาตทิศานเอาคือหัวต้างเท่าเดินรถเดินเรือคือเร่หัวทางคิปางใจางข้าวาั้างปัญญามโนี่กีบวงอียงฟังทันนะลนั่งเงี้ยเดียวนีเห็นมัดจ้ะมัดไตโลกธาเลยนี่เห็นนอประเทศรัสเซียหมนเห็นนอกประเทศอเมริกาหมดเห็นหอดนรกผุนเห็นหอดสวรรค์ุเห็นอย่างไะพี่เห็นเหนือพระปัญญาเนี่ยแตมันตายจากสูดจากสูดรลอกควาเด้ภาวนาดีมันก็ต้องเห็นนรกเคื่อ เขเห็นตัวแห้งแล้ว น, น, ว น, น, นโกกะโกเห็นมันโมมันบเทียงเห็นไตโลกธาตุอมันโมนบะเทียงเสียเราเห็นเห็นทะลุหอดภูเขาหมมันแตกเป็นีนภูเขามันแตกสลายเปลี่ยนที่ ว, ว่าเห็นหมดนั่นนั่นอว่าท่านใชสิ่งพวกสงสัยเจ้าของไนยุทเชียรร ะ, ะ ต, ตายซ้าโลกนี่เนี่ยนั่นตัวพิทุมองกรเพื่อประพลทุกข์ใวาระทุกขสานมันก็ว่าสงสัยในโลกทั้งปวงแล้วที่นีเมื่อเต็มทั้งทราพท้งดินกัเมื่อมะนี่มา พระที่แตกสล า, ายลงดินแต่เป็นดินน้ำแตกเปนน้่ไยแตกเป็ น, นไฟย่มแตกเปร่มว่ากายสังขารน้องเฮาเนี่ยมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตลอดทั้งหน้า ม, มาธาตุกะธาตุมีรูกธาตุนามาธาตุนิยในใจโรกรธาตุนี่มือต้ง น, นั้นมแมนเทาการเทาปฏิบัติเพื่อผนเพื่อว่ให้หลงจากธาตทั้งหลายเา่านี่มันจะเป็นศิลสมบัติปรรัญญาวางกันไปเช่น <c oughs> อริยสัจเี่ว่าไม่เทปฏิบัติทุกอริยสัจที่จะหนาทุกเป็นอารมณ์ ทัญหานสมุทัยบรนเทาไปเองมักมันเกาะมักกับเนรลดมันก็ทําำหิแจงไปเองแต่ว่าจะเริ่มทุกขล้วือก็จะเริ่อสมุทไยหรือก็จะริ่มัดแล้วก็จะเริ่องเนรลดอันนั้มันเรียกแบบมันบ่มีอันคือเขาลับตาเขาที่มันมืดหลดมันเดีเรียแบบเตอว่าเขาเมือนตาด้วยี่มันจะเห็นหงหลดมันเดีเรียกแบบเอ๋อหงสันโอรสเหตุกับผลกับประเด็ของยูฮางการพ่อเก่าเนี่ยเหตุน่งผลกันนางเหตุกับจับเป็นเป็นมักเนี่ยจับจะผืดเหมือนกัน จะเป็นกรรมเมนกันกรรมและผลของกรรมกรรมนี้มโนกรรมเป็นต้นสาเหตุว่าเหตุใจอะไรที่สงสัยผลของใจอั <h However, <h h ้นก็สงสัยเหตุใจอะไดว่าสงสัยผลของใจอะไรก็สงสัยเหตุใจอะไรที่หลุดแจ้งผลของใจอั้นก็หลุแจ้งนั่นลองสั่นว่าเหตุผลโมโยฮานสักพ่อเก้าผู้นั้นคนน่ะเขาท่ำสวัสิตายเขาสวาสดีแทอยร์แล้วก็เขาได้ดีเ่าได้มีดวงไปเขะแน่นเขา อานลักกันที่ตายมันคือดีเทวดาัน่เข้าไปเห็นหูเลยนังชีเพี้ยน่ลโอ้ยบ ร, บระปิตาเหลียวใสยังเม็ดพระปิตาเทวดานิยมเขาบอกาจาว่าทุกขาลักทุกจักรเนี่ยเ <c oughs> ขากี่เขาปนเขาคือหางคือเมฆแทะเพราะว่าจังหวนนะห น, นะหางมีนะหางมาปนตักข้อได้ดหรอลองอันารย์เผาเห็ดดีมันก็เป็นอาจารย์ดีสอนเอาเด้ดด เขอไปจับไ้ก right. <ries and humor ous> uh ัอาจารย์สอนเข้าเนี้ยมันหอนร้องเยโอ้ยเนี่ยนี่เขาไปเล่นเลขกัอาจารย์สอนเข้าเนี่ยเนี่ยคิายไว้วอดหน่อยมันตัวอาจารย์สอนเนื้อเนื้เห็นหลวงปู่มันเนี่ยเน้นเนเท่งปลารักเท่งทำของเท่นนี่ยจะเน้นเนื้อทำให้นั้นตัเป็นพระอยู่ไปนั่งฮัตตาบัติสมัครตัวไปนั่งฮัตตบัติปละักเ่งลบเจคุณธรรมเกเรมากเป็นอุปราชแต่บวดบ้านหลงโดกคันบ้านหลองโดกพ่อพนาง บวดในบวดนามสินนาบเน่นเท่อายุสิบหาปีสช่ไหมล่เกิดเสร็จมาเกอบหนังฝนตกว่ามันถือหมาพันรักขับไล้ขกบไปอย่างข้าวนี่เท่งมันถือไม่แต่แล้วยาดนะหมาหมากับเบาว่างขับไปอย่างข้าวน้องูหมันว่าไม่หยาดเนี่นเท่งมาสั่นเกิดคนน่อยหมามันไม่หยาดเอาไปกินมาสั้นโตจะไปไล่มันอาจารย์โตตัวหันมาัน มีผางดอกมาไปทับวัดมันหมดแร้งนี่วะสันอาจารย์ด้อยท time, <üllt> no ี่หลังนั่นพวกขาเอาไว้สูงๆดอกไห้เต็นถึงไหอวาสันถึงยังวะาันนั่นแหละจะหาอาจารยสาเข้าไปจับไข่อาจารย์ไข่ประเทศไอ้ฟังนี้เขาไปําสรุปอาจารย์สรุปประเทศไอ้ฝังนี้เขาบอมีสติได้บอกของสันว่านั่นพูกเขาสันดีสีตายเขาช่วยมันไม่ทำสัวสีสายเขาช่้ยได้ดีจะเข้าได้ดีจะโดดมนไหน เข้ารถพ่อปยันนี่นหายคะแนันเขเรเห็นตบกี้รถบีเอ็มมากละ่ะเข้ารถว่าเขาห้างเขาไม่รู้จักเขาเป็นดีกีเ <c> ซ <oughs> ียผู้ใดมาโม่ของจักรถไทยคะแนนเขาหลบทุกปีสุรยางอ้อมเต็นท่ามเทศนาะสอนเขาอย่างเวเครื่องตดต่อ บ, บาดมันยังมีอยู่นี่ สิ่งไหที่ห้าทําลงไปแล้วด้วยกายก็ดีด้วยไหว้กายก็ดีด้วยใจล้วนๆก็ดีหรือนี่กายกับใจก็ดีหรือกายไหว้กายก็ดีหรือกายวหว้ใจใจพอมันองศามากดีสิ่งที่ห้าทําไปแล้วเนี่ไปแล้วนึกไปแล้วมันเดือดห้อนภ้ายหลังซึ่งนั้นเนี่ยจะเพรชอีกจะไปทําอีกจะไปนึกอีกไม่สามารถจม่ใช่ทดสอบอยู่แล้วเนี่ยทดสอบอันก็มีความว่าดี ฉันทิติโกบุคคลผู้บรรลุ้องเห็นเอ ง, องเห็นว่าฉันทที่โก้ในทาขงพุทธศาสนาก็หมายเอาพระสัวาวันนี้เป็นต้นไปชี้หมายเอาปุถุชนพ้นน้าเป็นต้นไปมันกลับฟันฝืนอามากถ้าทัานพวกนี้ภาคเจ้าก า, กาดีแล้วโซค้าโตพระคาธาธโมบุคคลผู้บรรลุก็ต้องเห็นเองก็หมายเอพระเชตะสงดาบันนี้ก็สั ว, ว์ธนเป็นต้นไปฉันทิติโกกคนนี้อาการที่โก้นี้ นี่ปั จ, จต่างกัเลยเฮิตวิโก้ต้องเรียกให้มาดูได้ก็ต้องเรียกพระสวัสดิบัตมาดูลองเรียกคุนกาบอดมาดูมันจะอยู่ดูได้บ่ลองเรียกคนกาบอดถ้ามันดเข็มมึงรู้มันสะได้บ่ห้อ <c> ง <oughs> สั้ว่ก็ลองเรียกผู้พ่าที่สวนเข็มได้ผมจะลองเรียกวาเบิ้งทำได้ไงไใจโลกระถางมะทอกับเป็นข้างพุทธศาสนาดอกจับเป็นข้างพุทธศาสนาเป็นโลกอุตสขาห์ตะกะคักนี่แหละว่ามันโลกกี่เลย เสียงเจ้เอามีโลค ก, กี่มาปนเปเอาศาสนาอื่นว่าปลเปเอ๊มันกับแม่ในตัวเอาผ้ า, าพระเถาเขาผ้าหลกเขยมามาไว้บนเดียวกันเอาเตียงพระเถ้าเาาับเตียงหลุกเขยมานั่งเฮียงกันออาดเอื่มในตาสูงศาสนาอื่นเอามาปนเปศานสานาพุทธศาสนาพุทธนับแต่สุพิพันโนเป็นต้นไปเป็นต้นของพระพุทธศาสนาเป็นพ่อแม่จานเบื่องต้นในภพมช้าและโหดนี่อยู่แล้วยืนยันเป็นอย่างตาปันอย่ง ยินีัยืนยันคักปนี่ยมมหาภัด้ม่านสูตรฤๅษีวัชระา ก, กาช่วพระองค์เก่าผู้บวกต่อแก่บวชในวันนั้นก็นําเจพระอรหันต์ในวันนั้นเป็นชาววอกสุดท่ายจะเป็นปสกสิมมะสาวกปฐมมะาสาวกคือพระโกนทัดยาจะสากความเคลื่อนทีเขานองกันนองขั้วทัาบุญคีอท่าของวัชระค่ำจงนอนพระโกนยังมีค่ำนะท่านทับบุญทาดเก่เขาเก่าค่ คุณละเขาคนเล่าคนล่านุณเล่าหมแล้วคุณจั่งจิตธานะจเหมดแล้วไอ้ไรทั้งเขาเป็นน้ำนมคาสิทานอันเขาพ่อฟอนพ่อเทียวคาสิทานพ่อเมาคาจิตานจนเป็นฟอนจนดูในล้านคาสิตธาตุจนน้ำรับน้ำรับไปจนถึงออกออกเรามแล้วเขาเอาเขาคนเล่าคนละเขาจั่งสิทธาตุนะจ๊ะแล้วก็ตกหลงแล้วมาตั้งเร็จพระหัรรุ่นน้องก็ชนะแล้วคันชวนทิซ่ากพระคนทัศน์ยะได้แค่เป็นพิซ่าพิตรกรอนว่ะ พระโนท่านแยกผสมมาสาวกกระเด็ัซ้ำยพระรอรหันต์คชวนภูเข้าขึ้นเล่าแล้วภูยันาตนี่เขมาซ้ำยัดพืพระอรหันต์พระโพธเจ้าใกล้กลับเข า, า, า, า, า, าที่เขาเ่รนียผานมมือดั่งั่คนทินคน่านี่ยจะไปวาเนอหลวง ป, ปู่มหาเคยถามห้าเหมือนกันตัวท่ท่านุยังตตัวขึ้นได้ดักเทท่านเชียกับฟอาเที่ยหูดได้น่อยวะหลวง ป, ปู่มหาข้านีเสียเดียวแด่ึงเสียสั่ล่า แตพ่อมมีอ so, ันนี้สองลายนะมือตู๋กันจับละวาดจับระวาดมาท่านเออผีนาวกับพระคันทรีน้ำท่านนี่น้ำก็ะม่แลวอ่าองไปอับุญภเวทเจ๊กี้เขาไปว่าพูดแต่พูดสาวนําตูบบุญเป็นเจ้าตัวคอยให้เจ้าปวดเฉียงฝนตกเล็ดเล้่ออสัตว์ที่ขี้มือมีทานเนี่ยไม่พอเอาแล้วว่านนี้ โอ้เก่งมานั่นเสมอเลยมันแต่หัวมันบวมมี่มันบวมมี่อของไทยเชื่อเข้าเดียนี้เด้สิเก่ปวดทีดแกล้งลงองทงผลขีดแล้วหัวเราของนี่อันมันขุดทุกๆเสมอเลยบอ๊ะังเจดกับม่งครบเมดเนี่ยไหนกัมีงครบเม็ดเนี่ยเดพ๋ยวผู้ที่เจากับผูให้สอนจงเสียดูให้ดันรับแม่แตโลกทาหน่อยจะเสียดูแล้วอันนเอาเป็นตะเบียงเพื่อปฏิบัติผลทุกเจตสูรได้จับแม่ไตโลกทาน ว่มันเกิเป็นเพลิดมาเฝอรอย่งไงได้ปัจจัยที่สี่ว่านิจมาตเส้าธนนะหรืออะไรอันหนึ่แต่าใจโลกธาตเครื่องอาศัยปฏทวัติเพื่อผทุกข์อะไรอ่างเงยเพราะเจ้าทีน้น้อยกรับปฏิวัติเพื่อผลทุกข์ทีนี้หลายครับปฏิวัติเพื่อผลทุกข์โยกไปวัดละเพราะอมเจ้าให้พิจารณาท่านก็ไม่อันโยกเป็นคนกิรินี่นั่นอ๋อน่าใจโลกธาตุได้เป็นเจ้าโรกนะเอ้ามโนย์ผู้เป็นเจ้าโรกเลย นักเที่ยวเขาว่าจะเปลี่นี่อเมริกาขนเขาว่าจะเป็นนนี่ส้างอาวุธหลายสรางอาวุธหลายเสื่อขายอาวุธเขาเชื่อไปหลายแล้วเข า, ขาว่าข่าวขอตัวซ้ีซนั่นเ็นบอกาขายเชี่ยประหารขาขายมานุษย์่าขายจับเป็นแล้วเนี่ยจัที่โซฆ่าเปนทหารฆาขายนอมอลฆาขายยาพิษการฆขายเหล่านี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกให้ประกอบสมบัติของชาวโลก้ประการประอบเลยสภามีสิทบริสุทธิธ์ ไม่ถือมองคลถือข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมองคลไม่แสวงหาแสบุญนอกพระพุทธศาสนาะบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนะาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติทางปกรและเลื่อนจากสมบัติทางปกรซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสอนมั ด, ด้ย่างใดพระพุทธเจ้าว่าสอนว่าไม่ลับไปดิเศษจนน้ำไหลายค่อยรัดกระตามถูพระองค์เจ้าเข้ามาได้พระองค์เจ้าเข้าเป็นโหน เ, เอกแล้วท่าไปเที่ยเดียวไม่ได้ท่าอีกหลายเทืย่ยวรัาบารมีทุกประ เ, เทศกระทั่งชิ้นหายสมโต มันเป็นมนมาโนิบัตมันเป็ี่นมาโนทิบัตก็เป็นสวร์นิบัตก็เป็นภพนิบัตก็เป็นเนทวดาผ้านิบัตทกันเนี่ยมองขัางหน้าพิสุเป็นผู้เห็นไพ่ในวาตะทองสารเถอะนะ <c oughs> ผู้ใดเห็นไพ่ในวาตะองสารผู้ใดบ่ไหวใจในวาตะทองสารผู้นั่นสั่งบอกนีแกถามมาเนยะเ <c oughs> อองหลายไม่หา ย, ยากนอนมากไม่รู้ตื่น รักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวของคนกลัวกับกล้าของสั้นถือว่าเป็นของยาวยึ่งหลายมหาอยากคือตาหูจมูกล่างกายใจนึกอยู่ทุกวันก็ไม่อื่มนอนมากไม่รู้ตื่นเพราะนอนใจในรัฏสงสารไม่ตื่นตัวเพื่อจะเข้าสู่กิจพานเลยรักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวก็คือรักความหลงของตนยิ่งกว่ารักตนของคนกลัวกับกล้า โลกโกรลงมันของคนกลัวและ ก, กล้าใส่ของสั้นมาเป็นของยาวชีวิตแต่ละชาติแล้วชาติมันเป็นของสัน้นแล้วก็เที่ยเป็นของยาวการท่องเที่ยวในวราระทางสารไม่ใช่ว่าเราจะต้องเที่ยวมาแต่ในชาตินี้มันเป็นเรื่องเก่าของเราเท่านั้นผู้จะก่อมันไม่ใช่ผู้ใหม่ผู้เก่าของเราที่เคยเที่ยวมาเกิดเคลียร์ับกาอย่างนี้ไม่รู้ว่าชาติไหนคนไห น, ไหนอ่ะเธอทั้งหลาย จงพิจารณาใหดีเน้อไม่ใช่ขอใหม่ของพวกเธอเนอขี่เก่าของพวกเธอกรดูกของพวกเธอจะเก็บไว้ชานและเขอ่าหัวเนืมือถึงกับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาหิมาลายัยทำไมอันตายทานบอกหน้าตาของพวกเธอทั้งหลายที่ยดออกเธอทั้งหลายเก็บไว้ข้างละชาตญละยศเท่านั้นชั่วกับหนึ่งก็มากกว่าสีมหาสมุทรเมื่อเป็นดังนี้ก็เธอทั้งหลาย จังสังเวชตนที่คือหลงทางที่เอามาในวัฏจังรสามนิเวศทาบทใจปรตามจะไพรวนวสูตรซักยงไงประตา ม, จ ะ, ะะะตามจะเทศเปนน้ำไหลไปดับก็ตามจะเป็นเครื่องที่นเ่งบันเทิงใจประตามถ้าไม่ทําให้สหลดสังเวทในวัฏจังรสารก็ไม่เท่าพาดดติตีิเอตัวนีรบอันนี้ไม่รส ไม่ซือคลตื่นข่าวก็จซื้อว่าเลขกออกเล็กออกหนาหน่หนี้มงคลตื่นข่าวไม่แค่ภูมิพังพนพโตนนมาภาษาแม่แคภูมิผู้ฟองเรือนภูมิของผู้จะทาจะําราลงตะกูลตะกูลนั้นนั่งข้างจะตั้งในนานไม่ได้เพราะสถานศึกม่แสดงครับไม่แสดงพระพัฒน์เต๋อจะให้วยม่โบราณพระพั์ที่ ท, ทา ไม้จะประมาณในการโยนโทกสมแบตสร้างจากักรีหรือบุรุษสุสิสนจะเป็นนเรียน่อเรียนพ่อนี้สขัข้นสันมาสักีบุรุษที่เปนเสียอาอวัยวะมุกแก่รัพย์สินถึงขานบริวารจะมีเสียงร่างะต า, ามแต่กระเจนิับเดินหมดสร้างอยู่ไม่ได้ก็ไม่ขั้นสันม้ากมา่บุรณะพสุิคําผ้าอะไรที่โตพอสนุบำ ร, รุงไว้ก็มาสนุบำ ร, รุงไม้ เอาใหม่จะพุทธเถื่อไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติและมีสาคัญอีกองคัรายได้มีห้าไปจายให้ยึดสิบสามสิบเข้าไปแล้วไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสติระู้รู้เ่เห็นมเป็นเงื่อนเงื่อนไม่รข้อเงอนผู้หวังจะลำลຽนตระกูลควาเง่นสถานสประการไม่เสียเห็นเอกศาสนาพระพุทธเจ้าเคยสาประจบมาแล้วองค์ท่านเคย่ามประิจบมาในทางที่ดีพผ่านมา ทางที่ชื่อเขาผ่ามาทางไหนเจริญก็เอามาสอนาทาง ไ, ไม่ไหนเจริญก็เอามาต า, ามพวกเรสอนในใจรัช า, าก็จะมวันสักรทในนี้มีแต่นไม่มีกระดูกเลยมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สง่นที่เป็นประโยชน์ดไม่เอามาสอนเรียกว่าทับภายในมาทับภายในนี้แล้วับภายนอกเป็นมาเองทับภายับเชื่อในพระพทธรเงสี่มมงและ้าสารว า, าจให้อรอย มีชิ้นห้าเป็นต้นสำหาับาวาสควัวสาวเป็นความเจรรงองความั้งจเสนาวาิทยาก็เป็นทัพอิทธลหนึ่งญาขะความเสื哈哈哈่อมพราคจนแเป็นประโน์เฉพาอื่นก็เป็นทัพยอีกพหนึ่งปัญญาและรู้สิงที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นทรัพย์อิทธหนึ่งอริยะรัพจั่งจงนี้มี้อสัตว์แม่มีน้องเป็ต้นควาเส้าให้ควอมเสื่อมหาให้มีนาสนามออกจากปาก พอบรมมาสักเวลาเดยวแล้วก็ซักภายในยนะี่ยภายในมีฝังยู่ในดวงใจนะ้ักภายในเราเ ข, าเ ข, าเ ข, าเข้าใจมาเองทาที่พึ่งของตนหน้นาสะการละทำที่ทำที่พึ่งเกียยาเึง่ยกับสาขาการางใจเพราะงานกาวางใจเพ่อการวางใจบางคนยินดีมากมากก็เลย่ยากอันนีกระตากก็มีผู้มีชื่อมีงาน เร ะ, จะาวากาตตาสอนนเป็นตัวง่ายกันง่ายจรงกรณีแยสือกาตตาต้องายนให้เอวยกันเอืพอพระเอกช่ันช่วยธรรมกาณาตาสยนักเรีในทนะนำคิชอบไี่ดีเตรียมเพือจะรักกอนช่วยกระทุกก่อนดีแต่เกษตรยังมีเพื่อนใจใจใส่ใ่าใจา้้าว สติจา ก, การที่ทาและทําี่เพื่แล้แม่างานยา้สิปัญญาแ่บรู้ในสองสังสารตามปาาเป็นสิสงาาหางมีอภิธรรมเป็นทิ่ของตนมีสิ้นหลายาณกับเจ้าคณะทำที่ทำที่เพื่อสิ่งหลายเป็นเป็นจ้าี่ตึ้งภายในเป็นโกกลกุตระซึ่งโล ก, กตระทรามะไม่ใช่โลกี